อาจารย์ท่านามได้จริงเลยกันนะฟังตามกันยั ง, องพอเป็นผู้พูดท่านหลายเป็นผู้ฟังนะ เราเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับทุกท่านทุกชีวิตเร า, เราก็เคยเป็นมาเหมือนท่าน <Nein. S 2> อะไรอะไรที่เราผ่านมาเหมือนกันหมดเราสนับสนนผู้ที่หลงไม่ต้องหลงก็ได้การเปลี่ยนหลงเป็นโล่เป็นเรื่องถูกต้องที่สุด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 เคยมีคนลักเคยมีความเกลียดชังเคยมีความเศ้าหมองผ่านมาได้แล้วมีคนผ่านได้แล้วเยาะเยะเป็นทางที่เหยียบย่ำมาแล้วอย่าไปจงือจง้าอย่าไปจำนวนยอมอยู่กับสิ่งเหล่านั้น ในความหลงในความเกลือเจ็บตใยในความทุกข์ในความโกรธก็มีการเกลื่อน เ, เจ็บตายหรือเป็นภพมิชาติอยู่ทางนั้นผ่านมาให้มันชื่นพบชื่นชาติเป็นเป็นหนทางทู่ที่เคยเดินผ่านมาแล้วแม่ชีวิตของเรา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 นั่นบอกไปทางนันแหละเวลามันทุกข์ไม่ทุกข์มันลิบหลีไปทางนั่นซะก่อนเวลามันโกรธความไม่โกรธลิบหรีความโกรมันอาจจะใหญ่กว่าแต่ว่าความไม่โกรธลิบหลีน้อยนัย่นแหละไปหานั่นแหละอ๋อจะหม่ไปทางมางมอยู่ตรงนั่นแหละถ้าไปเราจะพบทางไปเรื่อยๆไป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 ปรามาัดฉัตรจจริงก็สมมติบัญญตัติเช่นความพอใจแล็นสมมติบัญญัติปลามาัดฉัตรจ่ไม่มีในในความพอใจความไม่พอใจความโกรธความชอบเป็นสมมติบัญญตัาาตตระมัดฉัตรจ่ไม่มีตรงนั้นมันไม่อย่างนี้มันมันมีคู่เปรียบเทียบเกณฑ์ชี้วัด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 ถ้ามีแต่ความคมไม่มีพลังมันก็มันก็ไม่ขาดได้เช่นมีดโกนถมไปตัดต้นไม้มันไม่ขาดไม่มันคมจนโกนผมขาดตีเราหมื่นเราแส น, แสนเส้นแต่มันตัดต้นไม้ไได้มันไม่มีพลัง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 มันหลงไม่ต้องศิ้นไม่ต้องสมาธิไม่แพ่งปัญญาไม่หลงนั่นแหละศิ้นนั่นแหละสมาธินั่นแหะปัญญาจะไปโอนๆมันทุกันอันมีศิ้นเห็นทุกไม่เป็นทุกคนจากทุกเห็นสิ้นแล้วเป็นสมาธิแล้วปัญญาแล้วเราเหยียบย่มได้สบายเลยตรงเนี้ย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 จำมนานในการใช้ความรู้สึกตัวทะลุทลวงได้ง่าเจิงหมอสำหับสนุ น, นพวกเราถ้าท่านเคยสุกเราก็เคยสุกมาแล้วไปรักเราเคยรักมาแล้วเคยเป็นหน่มก็เคยเป็นหน่มเป็นน่ามาแล้วแต่เรานี่มันก็มาถึงจุดวัยชรา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 นให้มีอย่างนี้ถ้าท่านมองอย่างนี้หรอกเทวธรรมช่วยท่านแล้วตอนท่านหลงไม่หลงก็ด้อยตอนโกรธไม่โกรธกด็ด้อยอมันจกปลกนั่นแหะเทวธรรมมันไม่กล้าทำชั่วคิดชั่วพูดชั่วไม่ก็จะไปสุขไปทุกข์มันอ่อยมันมีเทวธรรมในหัวใจเนี่ยถ้าทุกข์กดไปอย่างนี้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 มันไม่ยากไม่ต้องไปไม่หลับไม่นอนไม่กินข้าวไม่กินน้าเดินจกงกรมจนเท่าแตกเหมือนจกงกลมจะกกขาแตกไม่หลับไม่นอนจนตัวเหลืองง้นไม่ใช่ฉันเข้าทฉันข้าให้เอมนอนให้พอ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 ความมืดได้ก็ไม่หลงจํากัดความหลงความไม่ทุกข์จำกัดความทุกข์ไม่ใช่เหตุอันอื่นเอาให้เอาผลไม่ใช่เป็นหลักปฏิบัติตรงกันปฏิบัติตรงเรามันหลงไม่หลงมันตรง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 หรือ ม, มันอยู่ในอง่งในแท่งอาจจะมีตัวสัตว์เลยรแต่ลกว่าเอ้หนูบ้างงูบ้างมีฝาไม่ปิดดีอาจจะม่เหตุน่ารำมมันเน่ามันเหม็นมันสัตว์เลแปรงฟันไม่ได้อาบก็ไม่ได้เหม็นไปเลยเปิดน้ํามาก็เลยเดินมาอาบน้ำที่นี่มาต้มเมา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 อย่างท่อน้ามของเรานะเไปเปิดเราใช่เลยไม่ได้นะถ้าเรามาอยู่นะมันมันมีมนภาวะหน้ามขอเราบางทีก็ไม่สะอาดมีและอองไม่พ้นไม่ได้กองให้เหมือนน้ําปะ่ปะขาของเราขังไวนะ้ในท่อนานมามันก็ขังอยู่ไม่ไหลผ่านมันก็เปิดตัวมันก็เน่าเหม็นเปิดเท่งไมนะไม่มีอะไรไปตายนะโอ้โอ้โอ พอลูกเพื่อมาลูกแต่ก่อนว่าอะไรตายจะได้เปิดด้ามในโอ่งทิ้งเหรอใช่เออเปิดแล้วทอนะนะว่ากั๊มคู้ชำนานนี่ก็นะพวกเราก็อบอุอ่นใจแม่คนะีทุกคนหายเจ็บหายป่วยแล้วอ่านะ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 ขอทบสะดวกให้ถึงจุดหมายปลายทางไม่เป็นอะไรกับอะไรในโลกเนี้ยโลง่งโลง่โลงว่างว่างสะดวกเป็นสุขไม่สะดวกเป็นทุกข์ไม่สะดวกเป็นความรักความชาง่งพอใจไม่พอใจไม่ค่อยสะดวกถึงตรงที่ไม่เป็นอะไรเป็นชีวิตที่สะดวกล่ำเลินโลง่งโลง่ง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 หลวพอ่อก็เชื่ว่าเออน่าจะไม่เป็นไรให้เขาไปก่อนกันนี้มาเาไม่เป็นไรไปก่อนการชช้หมาขวามาไปไปก่อนันรล้ถรรมไหมไปไม่เป็นไร ไ, ไม่เป็นไรไปก่อนอ่ไปก่อนเออไม่เป็นไรจอดเออไม่เป็นไรเนี่มันสนุกนะสนุกไม่เป็นอะไรก็เป็นอะไรถ้าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเครียดนะ ไม่ไหว e, ไม่ไหว e. มันตัดหน้าเรามันเบียดเราอะไรไปทำนองนั้นต่างคนต่างอยากไปเราก็อยากไปเขาก็อยากไปเราก็ไม่เป็นไรตะพืตะเพื่ไปนี่คือเดินทางเดินทางคิดกับมันกัน่ะไม่เป็นไร